จะศึกษาออกมาว่าตรงไหนเป็นแก่นที่ว่าถ้าจับหลักตัวนี้ได้แล้วเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติก็เหมือนกันสำนักปฏิบัติต่ตตตตตางๆมีอยู่มากมายเนยทุกคนก็อ้างอิงพระไตรปิฎกได้ด้วยกันทั้งนั้นแห ล, ละทุกคนก็อ้างบอกว่าทำสติปัฏฐานทำวิปัสนาอ้างได้ทุกคนแต่คาสอนที่หลากหลายเนี่ยอะไรเป็นแก่นของมั น, นถ้าเราจับแก่นได้เนี่ย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 สัพเพธรร ม, มานารังอภพิณิเวสายะประโยคนี้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำสอนทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นแต่ในภาคปฏิบัติอยู่ๆจะไปไม่ยึดมั่นไม่ได้ก็ใจมันยึดมั่นสิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะตื่นขึ้นมาทำยังไงเราจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมา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 เมื่อเราเปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสหลวงปู่เหลียนยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูอนนี้ตอนนั้นก็มีคราวาสเนี่ยชอบมา่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดุยมาถามหลวงพ่อ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 พอเห็นจิตใจเราสว่างว่างมีแต่ความสุขเลืงนะ้งล้้นติดเครื่องหมายบวกคือไปชอบมันยังมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยจิตจะไม่หยุดการทำงานจิตไม่เป็นกลางนะแต่ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณนะ์เหน็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เห็นจะต้องเกลียดมันหรือต้องรักมันเพราะมันของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์มันเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา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 บางคราวจิตใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไปเสเวยพบที่มีความทุกข์ก็คือจิตใจเราตกนรกตั้งแต่ตัวเรายัางไม่ทันจะตกบนะาคราวเราก็มีความสุขเราทำบุญทากุศลจิตใจเรามีความสุขเราก็อยู่ในพบของเทวดานะบางคราวเราก็ทำใจเข้าถึงความสงบเงียบอยู่ภายในเราก็ไปอยู่ในพบของผลมนี่จิตใจของเรานะ้หมุนเวียนไปเรื่อยๆบางคราวก็หลงใจลอยไปนี่เป็นพบของสัตว์เดรัจฉาน สัตว์รัจฉานมีโมหะมากใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็ฟุ้งซ่านอุดตลุดไปไม่ก็ซึมไปเลยนะไม่ก็ลังเลสงสัยไอ้โนนทนก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่หรือมันจะงน้นหรือมันอย่างนี้นะคิดมากนะเพรคิดมากลังเลใจมากนะนี่ก็อยู่ในภพของเนรัจฉานเนี่ยใจของเราหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆ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 เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศได้15นาทีนะไม่รู้เป็นยังไงเมื่อ ก, ก่อนนี้เห็นไปเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศตอนท่านอย่างแข็งแรงใครฟังท่านเทศทีนึ่งหลายชั่วโมงือฟังจากเทปนะฟังลูกศิษย์ลูกหาเล่าว่าท่านเทศทีนึงได้หลายชั่วโมงตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านเทศสิบนาที15นาทีเรายังไม่แก่เท่าท่านเลยเทศเหลือนิดเดียวแล้วนะ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 อใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้มีจนได้เหรอ <c oughs>